เหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวว่าคําว่าประมัต ธ, ธรรมเนี่ยถ้าจากอภิธรรมมัทสังหะท่านก็บอกแล้วว่าเป็นเนื้อความที่มาจากพระอภิธรรมปิฎกนะหรือเนื้อความในอภิธรรมปิฎกอ่ะถ้าว่าย่อไปแล้วก็เหลือเป็นประมัต ธ, ธรรมสี่คือจิตเจตสิกรูปแต่ทีนี้เวลาเราอ่านพระไตรปิฎกคือทั้งพระวินัยพระสูตร อะไรทั้งหลายแหละสูตรไหนก็จะเอาแต่อินนิยามมันเนี่ยไปใช้กับทุกหนทุกแห่งอันนี้ก็นับว่าเสียเหมือนกันคือถ้าเป็นคำว่าประมติในพระสูตรนี้ไม่เหมือนกับประมติในอภิธรรมนะคือคำว่าขันก็เป็นประมติอยู่โดยโดยในพระสูตรอยู่แล้วสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินซีพละโพชงมักแปดวิชาวิมุตส ม, มถาวิปัสนา อ่นนะนิวรโอคะโยคะพวกนี้เป็นคำว่าปรมตทในพระสูตรหมดเลยอ่นนะคือเป็นคำว่าปรมตทในพระสูตรปรมตทในพระสูตรคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนขึ้นมาเรียกว่าปรมตทเช่นถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องบุคคลพวกนี้เปน็นเรียกว่าบัญญัติอ่นนะบัญญัติอนันปรมตทกับบัญญัติในในพระอภิธรรมกับพระสูตรนี่แตกต่างกัน นิยามบางอย่างใช้กับบางที่เท่านั้นเองไปใช้กับหลายที่ไม่ได้เน่นะกล่าวต่อไปถึงบทว่าอาตุลังนะอตุลังคือพูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอาตุลังนั้นนะหมายถึงพระองค์นี่มีคุณอยู่สามประการที่ชัดๆเลยนะ คือหรือมีสัมปทาสาอย่างสัมปทาสามก็คือเหตุสัมปทาผลสัมปทาและสัตตุประการสัมปทาส่วนที่เป็นเหตุสัมปทานนั้นคือคืออะไรคือกรุณาและโพธิสมพานเนี่ยนะมหาการุณาและโพธิสมพานนี้ธรรมะเป็นสายเหตุทั้งหมดเลยแต่คําว่าเหตุตัวนี้นะีกรุณากับโพธิสมพานเนี่ยคำพีพุทธวงศคำภีจริยาปิดกนะี ทั้งหมดนั้นะเพื่อจะอธิบายคำนี้สองคำหรือดีไม่ดีก็เอาชาดกมาด้วยมาเพื่ออธิบายศัพท์ว่ากรุณากับอบรมโพธิสมภารหรือบารมีส่วนผลสัมปทานเนี่ยนะสี่ประการตั้งแต่ยาณนะสัมปทานเนี่วันนู้นแหละเอาปฏิสัมพิธามมรรคเป็นต้นนะ่มาที่บายจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ใช่สิ้นเชิงส่วนปะหะ สัตรูปรการะสัมปทานเลยนะศัตรูปรการะสัมปทานนี้มี2 อ, อย่างเนี่ยนะในการอุ ป, ปการะสัตว์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่2 อ, อย่างด้วยกัน 1. อาศยะกับประโยคะอ่า น, นะอายะที่แปลว่าพระอัธยาศัยประโยคะก็คือโดยทั่วๆไปนิยมแปลว่าอุตสาหะหรืออธิบายเป็นวิริยะไปจริงๆไม่บริบูรณ์ ประโยชน์ค่าทว่าตามศัพท์ก็แปลว่าการประกอบอยู่แล้วนะหรือพูดสำนวนตรงๆว่าพฤติกรรมของพระผู้เทอเจ้านะประโยคะคือพฤติกรรมทั้งหลายพระพฤติกรรมหรือคําพูดบรรดาศัตรูประการะสัมปทาทั้งสองคืออาสยะกับประโยคะนั้นนะ่ะความที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีอัธยาศัยเกือ้อกูลเป็นนิดแม้ในเหล่าสัตว์ผู้มีความผิดมีพระเทวทัตเป็นต้นนะนะ คืออัธยาสัยเกื้อกูลตรงนี้ก็คือเมตตาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าอัธยาศัยของพระองค์อย่างหนึ่งเหมือนกันคืออัธยาศัยเกื้อกูลว่าเขาควรได้ประโยชน์ได้รับความสุขเขาควรได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะไอการคิดน้อมแบบเนี้ยน้อมคุณต่างๆเพื่อให้มีต่อสัตว์เนี่ยนี่เรียกว่าอาศัยอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเมตตานั่นเองเนี่ยนะเมตตาที่มีต่อสัตว์หวังประโยชน์เกื้อกูลหวังความสุขต่อสรรพสัตว์อย่างหนึ่ง อย่างที่สองก็คือพูดถึงอดทนว่าการรอคอยเวลาแก่กล้าแห่งอินทรีของเวนยสัตว์ผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้าชื่อว่าอาสยะ น, นะพูดถึงพระขันติของพระองค์ที่รอได้นนะรอให้เขาอินทรีแก่กล้ากว่า น, นี้อีกหน่อยแล้วค่อยสอนเขาเนนะก็มีมากแลแล้วก็มีบ่อยนะสังเกตดูว่าตอนนี้เขาอินทรีพร้อมแล้วพระองค์ก็ไปอนุเคราะห์เขา ันคำว่าอาศัยะของพระพุทธเจ้าตรงนี้เน้นสองอย่างคือเมตากับขันติ น, นะอันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างนะแต่จริงๆแล้วตัวอาศัยะของพระพุทธเจ้ามีเยอะเนี่ยนะเนคขมัสยะเนี่ยนะอัธยาศาัยเพื่อการออกจากกามเป็นต้นนั่นเองอโลภัชยะอโทสัจยะเนี่ยนะอโมหัสอโมหัสัชยะหรือมีอัธยาศัยที่ไม่ลุ่มหลงเนี่ยนะมีอัธยาศัยออกจากกามมีอัธยาศัย น้อมไปในวิเวกเนี่ยนะแต่ว่าตัวที่สําคัญสําคัญก็คืออัธยาสัยที่เป็นไปกับกรุณาเนี่ยนะมีอัธยาศัยกรุณาหวังประโยชน์เกือ้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายโดยที่สุดแม้แต่สัตว์ที่เป็นศัตรูกับพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็หวังความเจริญแก่แก่สัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นเขาเขามีคนที่ยกย่องว่ามีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรเป็นคนพานเนี่ยนะคือถ้าเป็นถ้าสมัยมีพรพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่นะ ถ้าเราเป็นศัตรูกับพระ อ, องค์นะพระ อ, องค์ยังแก้เราจนได้นะถ้าถ้าเราแก้ได้นะถ้าพอแก้ได้เนี่ยถึงเป็นศัตรูกับพระ อ, องค์อยู่พระ อ, องค์ก็แก้เราให้กลับใจได้เพราะคนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าตอนหลังบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็มีไม่ใช่ใ น, น้อยอ่ะนะก็มีคนดีเป็นศัตรูก็เลยได้ดีไปเลยแต่ถ้าไป ม, มีคนชั่วเป็นมิตรอะไรจะเกิดขึ้นนะเอาไหมเราจะเอาอยัางไงมีศัตรูเป็นมิตรอ่ามีศัตรูเป็นมิตรกับมีบัณฑิตเป็นเอ้ะผิดจินะ S <S ว่าไงเนี่ยทใหม <S <S <S <S คธอมีศัตรูเป็นบัณฑิตมีมิตรเป็นคนพาเ น, นี่จะเอาไหนคือยังไงก็ช่างให้เกี่ยวข้องกับบัณฑิตเอาไว้เดี๋ยวนะปรับตายไปก่อนแหมมีมิตรเป็นคนพาเ น, นี่ยดีเลยนะส่งเสริมในทางคําบาปบานเลย <S 2> <S 2> น, <S <S นี่พระองค์นี้มีอัธยาศัยเกื้อกูลสัตว์เสมอเนี่ยนะอันนี้หมายถึงอาศยะนะพูดถึงอัธยาศัย ถ้าจะว่าไปพูดถึงกุศลลเจตสิกที่มีอยู่ในจิตของพระ อ, องค์นั่นเองว่าประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะเมตตาขันติเป็นต้นนะเนีเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยที่มีอยู่ในจิตของพระ อ, องค์ต่อไปก็ประโยคว่าการแสดงธรรมเนี่ยนะการแสดงธรรมอันจะนาสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งปวงโดยอุบายเครื่องนำไปสามอย่างเนี่ยนะแห่งพระพุทธเจ้า ผู้มีพระหาหรถ ไ, ไม่ได้เพ่งเล็งต่อลาบสการะแกสัตว์เหล่าอื่นผู้มีความผิดชื่อว่าประโยคอย น, นอุบายเครื่องนำไปสามอย่างตรงนี้เนี่ยนะก็วินัยสามินสามก็นึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งสามวิธีที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายคือแสดงโดยย่อก็มีแสดงโดยพิสดารก็มีแสดงทั้งโดยย่อและ พิสดารก็มีตามที่พระวังคีสะยกย่องพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยนะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นประโยคะเนี่ยนะประโยคะทั้งทางกายด้วยและทางวาจาด้วยทางกายเนี่ยแสดงธรรมบางแห่งก็ต้องเดินทางเป็นพันกิโลเมตรเนี่ยเพื่อจะไปแสดงธรรมเนี่ยนะอันนั้นพูดถึงทางกายอย่างเดินทางเตือนเช้ามาเดินทางจาก เมืองสาวัตถีไปเมืองราชครกเนี่ยเดินตั้งแต่เช้าเย็นถึงเมืองราชครกพอดีเพื่อที่จะไปแสดงธรรมให้ปกุศสาติฟังนี่นะก็เดินทางทั้งวันเลยนะเพื่อจะไปแสดงธรรมอันนั้นก็นับว่าเป็นประโยคะแล้วก็นั่งทั้งคืนเนี่ยนะเช้ามาก็ต้องแสดงอีกให้ฟังอันนี้ก็เป็นประโยคะที่ก็จะถ้าจะแปลว่าลักษณะของความเพียรก็ไม่ผิดอะไรนี่นะแต่ว่าคําว่าประโยคะนี่รวมความถึง อิริยาบทการยืนเดินนั่งนอนด้วยการพูดการแสดงทั้งหมดด้วยนับว่าเป็นประโยคะทั้งหมดเลยแต่ประโยคะดีเหล่านั้นเกิดจากอาสยะดีนี่ย น, นะทีนี้คําว่าอาสยะกับประโยคะเนี่ยนะเป็นคําที่พระพุทธเจ้าเน้นมากเวลาที่พระองค์จะแสดงธรรมเช่นบอกว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวจงฟังนี่บอกประโยคะเลยนะีย ให้มีประโยค่าให้ฟังนะให้ปิดทวารอื่นให้หมดเปิดไว้แต่โสตะทวารก็พอที่จะรับนะอันนี้เรียกว่าจงฟังอันนี้ประกาศถึงว่าเธอต้องมีประโยค่ะนะคือการฟังให้ตั้งใจฟังให้เธอมีอาสยะนึกจงจงฟังจงใส่ใจให้ดีคือการใคร่ครวนเนื้อหาอันนั้นเป็นอาสยะเนี่ยน ะ, ะ, ะประโยค่าคือการฟังอาสยะก็คือโยนิสโสมนสิการก็ได้ คือการใคร่ครวรการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะการอุปการะของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายก็ทั้งโดยความคิดว่าทำไงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจะได้เจริญงอก ง, งามด้วยทานศีลสา ร, รณะเนี่ยนะสมถะวิปัสสนาเจริญด้วยโสดาปติมัคโสดาปติผนสกาทาคามิมัคสกอาทาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผล อรหัตตมักอรหัตตผลวิชาสามอภิญญาหกปฏิสามพิทาสีวิโมกแปดเนี่ยนะพระองค์น้อมไปเสมอเลยนะใครที่ควรได้คุณธรรมอะไรเนี่ยพระองค์อเอาไปให้เขาเลยอะ่ะเนี่ยนะอา้าวภารีบุตรควรได้อักขาระสาวกนะพระองค์ก็สอนให้ได้อักขาระสาวกพระโมกขลานะควรได้คุณอย่างนั้นพระองค์ก็ให้คุณพระองค์ยังไม่ตรนีในคุณเหล่านั้นนนั้ของสัตว์เลยหวังอย่างเดียวว่าชนะนัยคุณธรรมทั้งหลายทั้งมวลจะบังเกิดมีในสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็นับว่าเป็นศัตรูประการะ ของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายคือความที่พระองค์มีอุปการะคุณต่อสัตว์สอย่างมากทีนี้ต่อไปว่าบรรดาสาสัมปทานสามอย่างมีเหตุสัมปทาผลสัมปทาและสัตว์ตูปการะสัมปทานนั้นผลสัมปทามีอยู่สองอย่างข้างต้ น, น, นท่านอาจารย์แสดงแล้วด้วยบทว่าสัมมาสัมพุทั ง, งผลสัมปทาหมายถึง ญาณสัมปทากับปหาณสัมปทาเนี่ยนะส่วนผลสัมปทาสองนอกนี้ผลสัมปทาสองก็คืออนุภาวาสัมปทากับรูปปการยะสัมปทาและสัตตูปการะสัมปทาเนี่ยแสดงไว้ด้วยบทว่าอตุลัง ส่วนเหตุสัมปทาอันเป็นเหตุแห่งผลสัมปทาและศัตรูปการะสัมปทานั้นท่านอาจารย์แสดงแล้วแม้ด้วยบททั้งสองโดยความเป็นบทสา ม, มารถเพราะสมบัติแห่งสัมปทาทั้งสองนั้นไม่มีโดยเว้นจากเหตุเช่นนั้นเพราะผลสัมปทาและศัตรูปการะสัมปทานั้นมีความเกี่ยวข้องในบุคคลทุกจําพวกในเมื่อสมบัติแห่งสัมปทาทั้งสองนั้นไม่มีความเป็นเหตุก็กล่าวถึง สัมมาสัมพุทธะบวกอตุลังเนี่ยนะสัปนี้อมความสัมปทาทั้ง4ประการเออขอไปทั้งสประการเหตุสัมปทานี้แบ่งออกเป็นกรุณากับอบรมโพธิสมภารผลสัมปทาแบ่งออกเป็น4ส่วนศัตรูประการและสัมปทาก็แบ่งออกเป็นสองอันนี้อันนี้ก็ย่อไว้เหลือด้วยบทว่าสัมมาสัมพุทธะอตุลังเนี่ยนะ มันก็เวลาสัมมาสัมพุทธะตุลังก็นึกถึงนี้ก็ได้นะนึกถึงตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองหรือนึกถึงสัมปทาทั้งสาประการของพระพุทธเจ้าก็ได้ที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นการกล่าวถึงพระพุทธคุณทีนี้มาพระธรรมคุณบ้างว่าท่านอาจารย์ครั้นถวายนมัส ก, การพระพุทธรัตนนั้นซึ่งเป็นการสะดุดีที่บัณฑิตสงเคราะห์ด้วยข้อกําหนดไว้สามประการ เป็นประธานด้วยประการชนนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะเริ่มคํานอบน้อมพระรัตนตรายที่เหลือจึงกล่าวคําว่าสสัสธรรมะคณุตตมังจริงอยู่ความที่พระธรรมและพระสงฆ์แม้เป็นรัตนะมีคุณไม่ใช่เป็นประธานก็ควรกราบไหว้สิ่งที่เป็นประธานในศาสนานี้คือพระพุทธเจ้านะพระธรรมและพระสงฆ์นี้ก็ควรกราบไหว้ บัณฑิตย่อมทราบได้ด้วยการประกอบสหศัพท์ไว้เหมือนอย่างที่กล่าวเขากล่าวว่าบิดามาพร้อมทั้งบุตรและพันยาดังนี้คนอื่นก็ย่อมทราบการมาของบุตรและพันยาได้โดยการประกอบสหศัพท์เอาไว้ฉะนั้นอันนี้ถ้ารูปบาลีแล้วเขาจะเข้าใจกันชัดเปิง่งทราบวินิจฉัยในคําว่าสหสัทธรรมะคุณุตตะมังนั้นดังต่อไปนี้คําว่าธรรมะธรรมะก่อนเนี่ยนะสับนี้น่าคิดว่าเอ๊ะธรรมะคืออะไรกันแน่เนี่ย ธรรมะคืออะไรคุณู้ชมสัตทธรรมคาสอ น, อสสอนคนอื่นเขาว่าสภาวะนะตรงนี้เขาบอกว่าสภาวะที่ชื่อว่าธรรมะเพราะอาาะัตถวาทรงไว้ซึ่งสัตทั้งหลายผู้ทรงตนไว้ไม่ให้ตกไปในอบายสีและในวัตทุกทั้งหลายแปลว่ารักษาคนที่รักษาตนอ่ะนะไม่ให้ตกอบายไม่ให้เป็นไปในวัตตะนนะ ธรรมะนั้นควรจะเป็นอะไรที่ถ้าใครรักษาเขาเขาจะรักษาคนนั้นอีกทีนั่นนะทำแล่ทำโมหเวรัติธรรมะจารีนะทาแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วธรรมะตัวนั้นคือหรือว่ามีเก้าอย่างก็ได้นะมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยนะคืออันนี้โลกุตระอย่างเดียวนะ โลกุตระอย่างเดียวคือมรซีผลซีนิพานหนึ่งหรือมีสิบอย่างรวมทั้งปริยัตด้วยเรียกว่าสัตว์ทำสิบสัตว์ทำเก้าคือโลกุตระทำ 9. เก้าเรียกว่านพโลกุตระมนพโลกุตระทำเก้าหรือนวะโลกุตระทำเก้าเนี่ยนะอ๋ะะอไม่ใช่ไม่ใช่วิโมกแปดวิโมกกะตังหักกลุ่มละกลุ่มกันเลยนี่หมายถึงมรซีผลซีนิพานหนึ่งเนี่ยนะ หรือแบ่งเป็นสิบรวมทั้งปริยัติ ด, ด้วยก็แลการทรงไว้ซึ่งพระธรรมนี้เป็นการขจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายเป็นต้นก็ใครก็ตามถ้าทรงไว้ซึ่งพระธรรมจริงๆก็ละกิเลสได้นะถ้าละกิเลสแล้วเหตุไปสู่อบายก็ไม่มีอยู่แล้วบัณฑิตเพิ่งเห็นว่าการขจัดกิเลสแห่งอริยมรรคและนิพพานทั้งสองนั้นย่อมได้ด้วยย่อมได้โดยนิปรยาย คือพูดแบบตรงๆนะคําว่าธรรมะพูดตรงๆคืออะไรคืออริยมรรคและนิพพานเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเป็นธรรมะตัดกิเลสได้เด็ดขาดและเพราะพระนิพพานเป็นเหตุสําเร็จประโยชน์ในการขจัดกิเลสแห่งอริยมรร KN ั้นโดยความเป็นอารมณ์ตัวตัวธรรมะจริงๆที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อบายหรือวัฏทุกข์คือมรรคกับนิพพานอันนี้ตัวธรรมะตรงๆเลยนะ ส่วนธรรมะที่เหลือเรียกว่ากล่าวโดยอ้อมอริยมรรคกับนิพพานอริยมรรคนี้ตัดอะไรอริยมรรคนะตัวตัวนี้อริยมรรคละอะไรละสมุทัยและนิพพานนี่ละอะไร สังกตธรรมหรือที่เรียกว่าเนี่ยนะการเจริญกุศลทั้งหลายเช่นเจริญสติวิริยะหรือว่าปัญญาก็ตามอัน น, นีถ้าสติก็เรียกสติสัมโพชงวิริยะสามโพชงธรรมวิจยาสามโพชงเนี่ยนะเจริญโพชงเหล่านี้น้อมไปหาอริยมรรคแล้วก็น้อมไปหานิพพาน ต้องต้องน้อมไปอย่างนี้เสมออันนี้เป็นอ น, นัยย่ออีกครั้งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คืออันนี้เรียกว่าอนุธรรมะเนี่ยนอันนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะใหญ่อันนี้ธรรมะในน้อยอะไรเงี้ยเรียกอนุธรรมทีนี้ในการเจริญสติวิริยะปัญญาเนี่ยนะต้องน้อมจิตไปเพื่อธรรมะสองอย่างนี้ให้ชัดเกลียดก่อนอนะน เรียกว่าอาศัยวิเวกก็ได้หรือใช้คาว่าตรงนี้เนี่ยโดยศัพท์เรียกว่าสมุดเฉทาวิเวกเนี่ยนะวิราคะก็คือสมุดเฉทาวิราคะหรือว่าสมุดเฉทานิโรธเนี่ยนะ ส่วนนิพานก็เป็นชื่อว่ า, านิสระวิเวกนี่ น, ะนิสระวิราคะแลวก็นิโรธะถ้าโดยปฏินิสักคะนะอริยมรรคเป็นอะไรปริจาคขามีสองใช่ั้ยบริจาคคือหนึ่ง ปริจาคปริจาคะใช่ไหมกอปฏินิสสาฆะาามีสองปฏินิสสาฆะคือการสลัดคืนมีสองอริยมรรคเป็นตัวสลัดคืนโดยราาบริจาคบริจาคอะไ ร, ระน่าานะส่วนนิพพานนี้มีชื่อว่าปักขันธนะ เรียกว่าปักคนธนาโดยศัพ์แปลว่าเล่นไปการเจริญธรรมะเนี่ยนะอันนี้เพื่อบริจาคนี่ะอันนี้เพื่อเล่นไปเล่นไปโดยอารมณ์อันนี้บริจาคอันนี้โดยลูกศรโดยปากตะูนะอันนี้โดยอุบัติยาสใย ฉะนั้นเวลาเจริญกุศลธรรมทั้งมวลเนี่ยนั่งเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยหมายถึงเข้าถึงโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารามณปัจจัยเป็นตัวที่ตัดตัดอะไรมรรคกับนิพพานอะไรเป็นปัจจัย มักเป็นปัจจัยกับนิพพานหรือนิพพานเป็นปัจจัยกับมักคุณอะไรอ๋อเลนิพพานเป็นอารมณะปัจจัยของมักเดี๋ยวกันยังไม่รวมเอาเลยคถามห น, หนักทั้งนั้อาจารย์ว่าว่ว่าไปนั่นเอาจนได้นะไม่ผิดก็ถูกอ่ะไม่ถูกก็ผิดะ อริยมรรคเนี่ยนะมีนิพพานเป็นอารมณะปัจจัยทีนี้อริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เรียกว่าบริจาคคือละออกไปเนี่ยมรรคเนี่ยละอะไรไปบ้างน่นะหนึ่งนะละกิเลส<ะ>สองละขันเนี่ย น, นะละกิเลสก็คือละสมุทัยใช่ไหมน่ น, นะ ละละกลุ่มสมุทัสยศัตร์บาปอากุศลทั้งมวลและขันก็ละทั้งที่เป็นอุปาทินนขันและอนุปาทินนขันนะหาเรื่องยากๆให้ฟังไว้หน่อยคุ้นหูไว้เวลาเรียนวันลางหลังมันจะได้ง่ายนี่นนะคือธรรมะบางอย่างนะที่แสดงบอกตรงๆเลยไม่ใช่ตั้งใจจะให้เข้าใจวันนี้ แต่ให้ให้มันได้ชินหูไปก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาพูดง่ายๆหน่อยนนอุปาทินนัขันก็คืออะไรพบที่แปดเป็นต้นถ้าพูดถึงมรตัว น, นั้นเป็นโสดาปฏิมรตนะพบที่แปดเป็นต้นเนี่ยพระโสดาบันละได้อบายด้วยอันนี้อยู่ในอุปาทินนกขันนะพระโสดาบันละโดยเด็ดขาดอันนี้เรียกว่าอุปาทินนขันส่วนอนุปาทินนขันเนี่ยคืออะไรบ้าง เช่นโลภะทิฏฐิสังสีดวงละได้เด็ดขาดโมหะที่เป็นวิจิกิจชาอีกหนึ่งเนี่ยละได้เด็ดขาดกิเลสที่เป็นเหตุให้ผิดศีลโทสะเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นอปาญคามินีเนี่ยนะเช่นกลุ่มโทสะที่เป็นอปาญคามินี อันนี้ท่านก็ละได้อันนี้เรียกว่ละอนุปาทินขันแล ะ, ะส่วนนิพพานเนี่ยเรียกว่าสลัดจากสัพพานิมิตทั้งปวงคือไม่มีสังคตะธรรมอยู่เลยไม่มีสังคตะธรรมอยู่ในนิพพานแม้แต่หน่อยหนึ่งทีนี้ตัวที่ละกิเลสเนี่ยสออย่างเนี่ยคู่กัน จะมักอย่างเดียวก็ไม่ได้จะนิพพานอย่างเดียวก็ไม่ได้มักต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เจียงจักละกิเลสได้นี่นะก็ออกมาจากการเจริญกุศลธรรมสติวิริยะปัญญาเป็นต้นนั่นเองนี่นะแต่ว่าตัวธรรมะที่ที่เรียกว่าเรายกย่องเหลือกเกินธรรมังสรารนังข้าชามีว่าตรงๆคือมักกับนิพพานมักกับนิพพานนี่แหละทรงไวซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตัวเองเนี่ยนะก็แรกไม่ให้ตกไปสู่อบาย ไม่ให้ตกไปสัวบายทำให้ละกิเลสได้ทำให้สงบประงับจากวัตถุกเนี่ยนะทำมาอันนี้แหละท่าน น, นอบน้อมเหลือเกินเนี่ยนะของเราเวลาทำมังสระนังขะฉามีเรานิดถึงอะไรอภู ก, การเนี่กันคิดถึงอะไรโลกุตระเลยนะเอา ส, สิบเลยนะก็พอแนวทางแห่งโล ก, กุตระนะ คุณทาพคิด <Source> ถึงอะไรไม่เวลาทัพสระนังข้าามิสวาคาโตพระกวตาธรรมโมเนี่ยนักคิดถึงอะไรอสาธุเอามาเลยนะครอบคลุมดีอาอถูกแล้วคุณลาวันไหนพะุทธเจ้าสอนนาแล้วก็ลงืนมันตามมาพระพุทธเจ้าจงเป็นหลักไอ้อุตสาหถามพระธรรมนี่ไปตอบพระพุทธได้อ่ะ ว่าไปเรื่อยพอแล้วมาของเราดีกว่าตามงมาทำไปต่อพระพุทธ